ภพภาตันหาข้ามยิ so opinion, ่งดีข้อมใจไ้อมเป่นข้องตัวเป็นที่วะารตัณหามิภาตัญหาชื่ออันใดชื่อจริงขีดได้อย่างใ่ได้อยานี้ขีดจริงได้อ่างใดอนี้ชื่ออันไหนข้แ่่ได้่างใดอานี้อมทุกขมเน่า้อมมากร่ำข้าวแต่ได้่ใดางนี้ข้าวขาิด คือเหามั่ก่มัปัญหาบ่ได้มั่งแก่บ่อมได้เนามั่เจ็บบ่อได้เนามัตายบ่อได้นะมันงเจียนบ่ยอไดเนาะแกทั้งสี่ทคือบอมได้เนาะเป็นเรี่บงาอุทาคปัญหาข้อนบยากอะไรเกิดทุกข์าะเหตุใดเพราะใจเพะหมันหมได้งเนะบ่ยากแกมั่งแต่พบเห็น นี่นั่นน่ะนั่นก็เกิดทุกข์ให้อยากให้มันรับไปมันก็ดรับไปสักไม่อยากให้มันเกิดสิ่งมันก็เกิดสิ่เสักนั่นจะเกิดทุกข์อืเช่นเจ้าหิรัญเรื่องไรนี่พี่เจ้น่ะหิรู้เห็นตามเป็นิ่เทีนันจะพาผู้ต่างหน้ามาทำสนั่นเป็นนั่นนี่ย่ยเรัญเห็นตามเป็นสิ่งยังน่ะรั้เห็นตามเป็นสิ่งยงน่ะยใจ สักจริงเราเนี่ยมันเป็นทายาอันยามันไม่ได้หยุดก็โยวขันเพิจังถือวะคนมีโลกพือสงบอยน่ทุกเว่าคือยุดเพิ่จากเรื่องปัญหาทั้งสามรับทุกชนิดทุกไม่คิดไม่ใจทจะไปรังไบทัพของทจะไปยึดถือเงื้ยเงียว่างต่างๆเรื่องของทุกเรื่องของสมุทัย คือปัญหาทั้งสามขอปฏิบัติคือจะหายจิตใจเห็นคันจัดทีเรปัญหาได้เพื่อจะสอนว่ามกทั้ ง, ง, น, ง, งนั่งน่ไปคือมีโรคคือข้าข้นทุกจะนาทิพย์ให้เห็นชอบจะมาทังกับปุให้าำริเพื่อให้ชิดชอบความเห็นเห็นใจนะเชิดเป็นทังคือชอบ จำแม่ร่ายจ่าให้เล่าเจ้าร่ายจ่าจำแม่ท่านคือชอบจำแม่จำนม่โตท่านจำแม่ชอบี่วยารง่ายปฏิบัติไา่แม่จะหาใจตัวเพิจากถูกจากเมูไถหายไปถึงมีมหรุดเกี่ยวกัองจากจนะกองอัดท่านกองควบข้าเก็ยันไงเกี่ยวกับการงาชอบ มนุนนน่งคนภาวนาชำระจิตเหลือตังหาที่นีจิเใจหน้าเสื่อยเฉไขยุตใจถิดควาคิดคิดถึงไม่ทางโลกทั้งสงสามไม่ทางเสืเ่ยอทั้งเสียมีจนตามนั้นชอบสำรับนักปฏิบัตินักโคตรนักเบื่อการงินชอบเป็นวลไลขันไจตั้งเล้วเช่นเราต้องเจอท้านหน้าหน้าขี้เหพ่คงครบ ทลาะันง่านชอบประเทศไหยยดหน้าชาไทยเยอะพลตรบสบอกมุกคนอื่นระเบียบเบียของของคนอื่นข้าเดี๋วามพลตรใจเดามาจากช่นง้านั่นทีว่าฟังง่ายชอบสามเณอาีวอย่างชื่อหยุดชอบอย่างที่ยุดเยอะลตรีขาม คาราก่าเป็นไปรักไปแฉมุ่ยไปสอไปก้คนอื่นมาเหลี่ยงชีวิตได้เหลี่ยงชองพุทธิมาเลี่ยงชีวิตตัวเองเื่อนคอยจ่ายค่งจ่ายยิงค่าบาตรขอแม่ขอหน้ี้ยงชีวิตก็เป็นสัญญาอัซโน่เป็นเรื่องของใจเรื่องของใจนึ่งสัญญาอาซซิโเลียงชียุตตอคิดอัดคิดท่ ภายในใหใจได้รับความสุขความสบายหาจากเลือจากเกิดจากหลงนีชื่อการเลี้ยงี่หยใจให้ชอบได้รับความสุขความสบายความสบายใไร้ละแทนิเลศไปเลเี้ยงนี่งถึงผีสุดยืนหมดเนื่อดใจเิดกันเนี่ยใส่กันจำลหขาสั่นสิเรศจหัน เหลี่ยไปเลี่ยงไปเหลืออัดเหลือท่อมเหลี่ยงใจเหลือคิดเหลือปัญหาคิดไถ่แต่งใจเหลี่ยงอัดเรล่ยงท่อมนั่นๆนั่นสางตัวคือเหลี่ยงทีตยอบของนักโทษนักเบื่อสามาอาซิโอสามาลายเยโม่เพียงพยายามชอบสามาสติตั้งคติชอบามาสมาคติตั้งใจหลอชอบหนีเหลี่ยงท่อมมาก เทียนสอบมันก็ยุ่เลขเดียวกันเนี่ยได้เย่เลี่อื่นเพ่นเยอมาทั้งหมดมันยู่เลยใจมิดจีข้างนอทั้งนี้เที่ยนจับเพอจะดเที่ยนเหรอจักให้ใหเราเพื่อนีเที่ยนตำละเที่ยนตเสียจับตัวเที่ยนจะให้เตียวหนังแส้งดินเด็กสัดพัดกรทการงานหดืทั้งบริสุทธิ์มัจะเที่ยนเี่ยนตำลเท่าไหร่อ ถารับได้แ่เยี่ยงใเพือนชอบไพ่งงี่จง่ท่านจิดท่านใจหนื่งเรื่องัวเล่นแต่เพื่อเทวีาตรักษาคิดใจเพื่องตนฟังว่งไม่ให้บาดใหเพื่อเขาแ่คือสายคือ่าติคือใจเพื่องตนเพื่อนเทวีาตครับเราความเสือสายล่างอกตาตาิ้วเยอ่แล้วเป็นโลดเป็นเกเหลง ให้โปกออกไปให้นบออกใสเพื่อนทะเลางท่านคว่ำดเหยื่อ่ท่านไหนท่านนี่ให้มากขึ้นให้หลายขึ้นเพื่อสื่อให้กำลังต่างหานตัดสั้นมันท่องคุเรตัญหาไม่ใจไปโยข่องยืนได้ตับท่างเสียท่างเสียท่านต่ำเหอเช่เพื่อนสอบ ในภายหนเชื่อเพท่านกุ้หน้าขอมดีพาหน้ากับทางเขียนในจิตตามบาลีอนเคาห์หน้าแต่ทานอนุักษ้ากับทา ง, ท ร, ท ง, ทท ร, ทงรักษาไว้ยิงไรถึมันดีมันเป็นอาเป็ น, นปปท่าอย่าจิไปจตาละเล่ยมันพยายามรักษากุ้งหนามดีจิเป็นเขยเขยเยเห็นเขยดี่ยเด่นนี่แล้วให้มันตกใส่เสื้อใส่กหายไป ใช่ไหบเที่ยงอบในทางท่อมในทางละเอียดในทางปฏิบัติหมายถึงในทางใจทั้งตัวตั้งสติสอบตั้งสติว่าใขรคิดที่จะหน้านะในสติประธามทางทีที่กายไหะใช่วลุดหลงตังัวก็ให้เนี่ยทือก้นเวทนาไหนใช่ตั้งทุกดความเพส เหตุนี้ยังมเปียข้องงายปรเด็นยุดนียนตัวะัตตรงน้เรื่องคำพิมันยัไม่เปลี่ว็งเพียบมันเป็นตัวสิติประธานตัวสถิติประานยังเปลี่วข้ายเท่าไหร่เหตอเรื่หน้าไปตั้งสถิติไว้สงบ่ใจหน้านั่ใใจตามต้นจริงยดเชื่อในกูคิดยึดให้หน้าท่านก ยิ่งถือเป็นกุศลและกุศลข้องใจในตั้งเถี่ยวเราในเสียงไรนี่นะตั้งเถี่ยวฟอกที่ใจหน้ากายแต่สักตัวายว่วตัวเงนตัดมงนบกมันตัวเงนต็มเนไห่เงินเขายายที่หน้หยีด่าในใครใจับเนเหนแต่จักแดงน่งเยกท่าน้ายึดท่านแต่ท่านเยวกันเมื่อใครใจรเห็นตนจินยังอันได่ มันเตียนมันเตียนมันต้นัตัดมันเตียนจักคือไรมังนะเฮ้ยเตียนายมันค้อนหิ้วมันเิ้วค้อนหิ็วเป็นอีกมันไม่ได้หิ้วไปแค่มาด่าังไมเหิ้วเดี๋ยวนึ้ไ่หิ้วเหี๋ยวเหงื่อเป็นหิ้วขันนะขันขนหิ้ก็ะตันตัดไม่หิ้วหิ้อีกแค่คิดว่าจได้พอเล่าเรยร่เด็กขวัญหยงเด็กขวัจันเด็กจันว่ามันไม่เลืดยึดน้าดนเลือยึด เล่เดียวยิ่งายยิ่หมดมันเป็นตังตาจักไม่ตัวมันบกิดบขวางบเกียวโบขั้งไม่เชียงเราหยุดแก่ใยึดใจเนี่ยตอเป็นย่างสามาสมาธิมั่ก็านักงานตั้งมน่งสมาธิสวดีเชียงีดีปัญญาก็ดีจะเลร่วมกันเนอันหนึ่งอันเดียวเป็นนักฆ่าสามัคคีจ้ามาที่จะเดินบำนาญผลทีลาบเขยตาจักพัก เห็นน่าจะความเกิดขึ้นเราก็จะหายสงสัยในการปฏิบัติคิดใจเชิงตัวอื่อเรื่องของการระเือปฏิบัติอัธถัมม์มันมีอารมณ์เ่งนี่ยมันเหนื่ย้าทาลเจ้าที่มเพื่อนม่หล่นมเพื่อนแม่ขีม่เยียวซ่ๆอนตัดเปลี่ยนตัวเองแง้สตัวเองซึ่งสองตัวเองก็ตั้งขตั้งขึ่นตังไทยตัเ่มาแล้ว อายุแค่แหลาย่ยเราแเรา่ควรให้เงยหากวันใดเป็นมาเป็นผลได้ิ้งความทุกข์ความสบายเข้าไปเข้าจะเข้าไปได้ยึดได้ดีแน่เ่ยแต่เสดเนี่เสีดเนี่ยเน่ยเยไปแล้วมันได้ผลได้ประโยชน์เลยที่เราไปทำเราไปให้เชื่อไไหมเนี่การนึคิดการยใจให้มันสงบระงับ้องเรือนี้ผลนี่ประโยชน์ดีกว่าเรา ก็คู่ที่ซ่าอมตัวหท่า่คือมีทีจร้หน้างสิเกิดความื้อกลั่มฉลาดเป็นผู้ดีทีเสพดัหากเราบอก้มตัวบอเลือเลย่อขายทางกลัมดีนั่นะหาดดีดังสิจะชอตชอตกลัมดีให้แต่อ่าทิ้ที่จะพิว่าของหยนั่นสิเะว่ากรับตอมันบายวนี่ยป็สิต๊แค่น่ะ คือม่หาโมิไปแล้วฮอกโมไปแล้วนี่แต่ก็คิทำอยหาเป็นยาหนังคอห้องคไห่ไปซื้นี่เีสาวนั่นก็ไห้ไปซือหังตื้อเลั่นก็ยไม่เป็นไปอีกนี่คือชื่อว่าการทางายเป็น้าแต่แค่ห้าเดียวกันเขาไทยลวคือว่า่งร็มก็เล็กขึ้นไปได้เลอย่างี้อย่างสาวม่ก็เติมจนสายขึ้นไปได้นี่แต่เะว่านั่นผิไป หาตาหาหาตควงขึ้นหาหินเท่านั้นถ้าวันตันตะตะวันเห็นมันติดเบรกเราเราไปคิดว่าจะเอาตาขึ้นมาหินได้แม่ใจมันสิเป็นด้านในมันก็สิเทวค่งไม่หยุดเห็นขาดในเทวิ่งลยะแต่ตะวันมันแค่ขื่นมันแค่ขื่นตามเหล่ยมเท่านั้นไม่ใช่ต๊กับโต๊ะตามเหล่ยมเท่านั้นนี่เด่ยวที่ยึดคือว่าเดี๋ยวจะป่าของให้ร่มบนนั้นท่านนั่งน่ะจะเกิดเป็นอะไรจะเป็นอะไรมันจะเป็นไปได้ เดอยนนข็่งันแรางช่องตันส in ok. ี่ห้าต่างห้าถ้ำห้าถเสือถ้ำเสียแร้งช่องกันหนึ่งกับพักบันให้เจ็บในขีดตังขีเสือขีเสียเจ็บแ้วจมีโอกาสเลล่าขด็กแต่เซเซ็ตเข็มติดหาาลัการเข็ต่างเสดอต่างถมำจำเข็มพาาแน่ได้เพื่อเจ็เพ่ใจเพื่อมือเพอหาไม่จะเจยุบนี่ขเือขีัน่นเองนี้อันหาบาดกนเน่ยบี แต่ที่ปัญญาที่จะมาสต่างเส้นงานขั้มดีได้เป็นอาพพาสัตเป็นสัตว์คืออาครื่อสัตว์หน้าคี่จะท่านคุหน้าขั้นดีเฮปยแต่เสดี้เสด็ได้ถ้าเป็นอัพษาสัตจ่เป็นมนุษยเพื่อนแล้วคี่จะไปเนพแต่พี่บักตั้งหน้าต่้งตามันงเช่นชาหน้าเสืาเส้นขั้ดีโอก่าเดือดร้อนี่หน้าแมั่งแตต้องใช่ได้ แต่ม่รับม่ว่าแ่ท่านก้อนผักก้อเพี้ยนใจเรื่องแต่ท่ามันเพีนไปนะพอเบืหยุดเบื่อแต่ท่ามันเพินถึงดันเร่องดันตายดันเจ้าดันเกลียดแม่แต่ยังมีเงี้ยว่านดูให้ดูแมดด่านดูเพ่อนไม่ได้สดกจะให้ยัมีกลิ่นเพ่อไม่เสีวพรองเหาแต่แม่รับมา่ว่าเดี๋ยวพบพระพบเจ้าเป็นแม่เชิญฟ้าให แต่เพื่อนแ่บางแต่ลายตัวเนี่ยเพื่อจะจะนั่งแท้งต yeah. mm ัวเนี่ยเข้ากองเล่นปังอปังสามาศึกษาไม่รไม่ว่าก็กินเหยื่อแให้ละเป็นเพื่อจะเพื่อจปพิบเพื่อสีท่านเพื่อกก็กินข่าเนอเพื่อเ็นหามาเหตื่อเพื่็นเกินจะเป็นเรื่องของเขาอาหารนี่หน่แม่หลายเลื่องขนาดได้ให้เวอร์กินจะท่เก่าหิ้วตัวหิ้วอย่างนี แ่หากอาศัยว่านี่คือท่านให้เ็ไม่ให้ถ้อย่าได้อยากินกินได้สบายเพราะนี่ยุ่รนี่คือบาอาจารย์จะท่านนเ่ีอยวกันก็ได้หันเป็นแม่อัท่านให้เช็ดให้ฮะใส่จิตใส่ใจใส่ฮสจิตจเอื้อมเสวเองไม่ต้องเป็นสีท่านท่านได้ฉันนี่จะบอกว่าให้เลกใส่ท่านเปีเด้อมันเะสนสีเรับต้ามเยอะกสบาย นอนเป็นท <À S 1> ่านท่านหน่เยื่วยการก็กินเข่านก็ะเมื่อขนมันเมื่อิ่เว้นขืนอ่้องพล้นขึ้นอาหารไม่กินมากแมลายย่องเปนไรนั่งไตเลี้ยงเพิ่ลยวะอ่องอิไให้แต่นังร่างโดยลคือหน้าจางขื่นภาวนาจึงเคร่งจุดสมอเว่นจุดใจสองตัวยาสีหน้าคืออย่างไรุหมปุ๊กโอเวดั่นดันอุม อิดมันใงบน่ารงับเหยี่ยง so, ้ามคิดขมผิวกวกว่าาม่งต่งไมนเ่ยงของโลกไม่ท่าของโลกแมันใงรังับหนว่างผะแต่ไอ้คิดมันส่เสวันธรราส่ข้ามท่านจากความเจวความเจ็บความตายทั้งเป็นวันธรมาจ้าก็จ้าไถาม อ้แก่ตั้งหาข้องใจตัวเองคือลุมคือลงคือคิดถูอความเยีกอย่างคือจิตั้เนี่ยเด่ยวาันคึกคาเดยวกันมีเชียเนี่จากการกระทัานเป็นเชืทอใจเชียวเชียวมีอาจมีท่านจะมีขึ้นขั้นดีพอถูกคนจะมีผม่ึ้นขั้นดีทั้งน่ะไม่มีเ่อใจองการขั้นเชียวขั้นเสียเหนือเว้ากองการไหนละ เหล่ยงเกลีอยเหล่ยงเกลี่ยเลวตันะพิษปฏิบัดิลวตารพึกทับกายใจทังคนมึงให้สะพิิบัดให้ดัดเห้แปลงหเยี่ยห้กลิ่นความอิ่มม่เกิดเกิดขึ้นความเสียความง่ายไม่เกิเกิดขึ้นความมีควาหน้าไม่เกิเกิดขึ้นเพราะการท่ำลยๆนี่แหละการระพิษิบัดอัดท่นการตั้งเพลตั้งท่ม เป็นแบบเถื่อป็นนอื่นบบเป็นคนหิให้บม่ได้หิไป็นนอื่นหิวตายหิวใจทุกคนเราก็ไปเจ้าก็ดีตายยกก็ดีเท่ากับท้านั่งเดียวกันก็สะนั่งต่างเส้นแต่นี่ายนี่ใจเส้นนั่นตายที่มีพิยม้าึกษาต่างๆต่างตาประเทศิปฏิบัติที่นี่ข้ามศึกข้ามไปเริ่อต่างที่บายเข้ามาเอว่าจะกินนเจอเวลาเอวัง